สำคัญครับท่านผู้นำฝ่ายคา้านไดรุณาอธิบายความเรื่องที่ดินอันภทยผมต้องเดินต่อครับตั้งใจจะอภิบายหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดผัวเซ็นเมียซื้อน่าเกลียดเรื่องคนอื่นทําิดผิดผิถูกถเห็นเงาแวบแวบแวบเอาแล้วผิดอย่างนี้ผิดอย่างนี้ผิดวิ่งพอมาเจอพรรคพวกตัวเองเข้ามานั่งตาปิ๊บปแล้วไปอ้างกฎหมายนั่นกฎหมายนี้ ดูต่อเลครับท่านประธานผมต้องขออนุ ญ, ญาตท่านประธานอ่านกฎหมายเพราะทํากันบ้าครับไม่ใช่นึกสนุกมาถึงเอาเลยอภิปรายนั่นอภิปรายนี่ไม่ละครับเราสู้กันด้วยสติปัญญาเอาเหตุเอาผลมากรใส่กันเอาข้อเท็จยิงข้อกฎหมายมาเรียงลำดับแล้วสนับสนุนด้วยหลักฐานและเอกสารที่ประธานทั้งหลายได้ทําไว้ถามว่าอภิปรายวันนี้ผมได้แล้วครับไม่มีแร้วครับแต่ว่าผมเคยบอกหลายครั้งพอคิดจะอภิปรายเรื่องสนามกอล์ฟอันภัย คุณยายก็เข้าฝันครับคุณยายบอกไอ้หลานชายจะเอาที่ของยายคืนทีเถอะไอ้บวกนี้มาเอาสมบัติของยายเนี่ยเอาไปทํามาหากินไปซื้อไปขายกันขออนญาตเลียงท่านประธานว่าต้องยกเอกสารขึ้นอ่านและต้องขึ้นชาร้าบ้างในบางครั้งคนเดียวก็อาจจะช้าไปบ้างสมัยก่อนมีพักพวกนั่งอยู่ด้วยพอพูดพับเขาก็ขึ้นเพีย้ยพอพูดพับเขาขึ้นเพีย้ย นี่ผมไม่ไดาบอภิปรายมาพิเศษและวันนี้คนเดียวถัดช้าไปหน่อยอะไรไปหน่อยท่านประธานเก้านานี้นะครับขออนุญาตท่านประธานนำเข้าสู่กรณีปัญหาที่ดินสนามกอล์ฟอันภายบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ผู้นำฝ่ายค้ารท่านาดาบอภิปรายไปแล้วและบางเรื่องอาจจะซ้ำกันบ้างแต่ผมพยายามสรุปประเด็นเรียกง่ายๆว่า hit the point เอาไว้เข้าประเด็นให้เห็นที่มาที่ไปว่ากรณีอย่างนี้มันเกิดขึ้นอย่างไรขออนุญาตทำประธานว่าสนามกอบอันภยัยจริงๆมันไม่ใช่เป็นสนามกอบอันภัยแล้วครับแล้วจริงๆมันไมใช้เอ็นภัยหรือเรือเสมันเป็นที่ดินของคุณยายคุณยายในที่นี้คือคุณยายเนื่อผมจะเรียกว่าคุณยายคุณยายเนื่อเป็นคนกรุงเทพครับเกิดหัวลําโพงนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนิกชนที่ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา เป็นอุบาสิกาที่ศรัทธาภาษาทุกในบวรพระพุทธศาสนาคุณยายมีพี่สาวต่างมารดาครับเป็นคุณหญิงอย่างที่ท่านชวนบอกไว้คุณยายเกิดเมื่อ13พฤศจิกา2539คุณพ่อเป็นพญาท่านนายกชวนไม่ได้บอกว่าชื่อเล่นชื่ออะไรคุณพ่อคุณพ่อท่านชื่อช่วงคุณแม่ก็อาชื่อครองบ้านอยู่หัวลําโพงคุณยายก็เป็นคนที่รักนายทหารแต่งงานกับพันโทรพระจานาญชาติศักดา ตอนนั้นมันย่อไปร้อเองถามว่าคุณยายชิดยังเอาที่ตั้งเยอะแยะ924ไร่ 2,747-5 ตารางวาให้กับวัดธรรมพิการามวัดธรรมพิการามอยู่ไหนล่ะครับอยู่ที่ตำบล ก, ก่อลักอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันคุณยายไปเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติคันตุละวิปัสนาธุระคุณยายก็ศรัทธากับวัดนี้เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2512สรพระคุณครับ ขออนุญาตน้องชายช่วยนิดเถอะท่ระธาครับเมื่อวันที่20พฤศจิกาคุณยายได้ทําพินัยกรรมพินัยกรรมถ้าทำกันแถวบ้านแถวช่องหลักฐานไม่แข็งแรงแหละครับคุณยายก็เป็นคนรู้เข้าใจมีผู้ให้การปรึกษาในแง่กฎหมายได้รอบคอบคุณยายทําพินัยกรรมที่อําเภอดุสิตสมัยนั้นยังไม่เป็นเขตร้อยตีเสมอใจผู้พวง เป็นนายอำเภอคุณยายทําพินัยกรรมเอาไว้เขียนไว้ชัดข้อหึงถ้าข้าพเจ้าถึงแก่ความตายไปแล้วมรดาทรัพย์สินของข้าพเจ้าที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าข้าพเจ้ายอมยกให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ที่ได้ระบุไว้ในพินัยกรรมให้เป็นผู้รับทรัพย์สินตามจํานวนที่ซึ่งกําหนดไว้ดังต่อไปนี้ข้ออื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง กับที่ดินสนามกอล์ฟอันภัยที่ร่วมกันปล้นของคุณยายเอามาเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวผิดเจตนาลมของเจ้าของมรดกที่ทาพินัยกรรมเมื่อวันที่20พฤติกายนพศ2512คุณยายบอกเอาไว้ว่าคำว่าวัดธรรมมิการามบวรมีหารซึ่งระบุไว้ในพิกรรมนี้ให้หมายถึงวัดธรรมมิการามบวรมีหารตาบลเกาะหลักอาเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นี่แปลว่าไปไหนไม่ได้คุณยายบอกต่อว่าข้อสเมื่อข้าพเจ้าป่วยหนักและไม่สามารถสั่งงานได้ด้วยตัวเองแล้วขอให้ผู้จัด ก, การมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์คือนายแพทย์วิรัต์มักดวงแก้วเป็นผู้จัด ก, การรักษาโรงพยาบาลข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมแล้วขอให้เจ้าอาวาสวัดธรรมมิการามวอวิหารหรือผู้แทน และผู้จัดจา ก, การมูลนิธิโรงพยาบาลสงเป็นผู้จัดจา ก, การสพและทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามรายการดังต่อไปนี้ท่านประธานครับคุณยายว่าไว้อย่างไงครับที่ดินจนวที่ยี่สิบตำบลคลองซอยที่ห้ากวางตะวังออกในวงเล็บบึงตะเคียนอำเภอคลองหลวงจังหวัดประจุมธานี ที่ดินเจ็ด้อยสิไร่หนึ่งงานห้าสิบตารางวาคุณยายบอกว่าขอยกกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดธรรมิกาลามวรวิหารนี่ภาษาไทยนะคุณยายยกให้วัดธรรมิกาลามวรวิหารขอเ จ, จาจ้านที่ดินชนบหนึ่งสี่สี่หกอยู่ที่ทุ่งบึงไอเสียบตําบลบึงไอเสียบอำเภอคลองหลวงจังหวัดธัญบุรีนี่จังหวัดเดิมมาเปลี่ยนเป็นปทุมธานี เนื้อที่194ไร่1งาน24ตารางวาคุณยายบอกว่าขอยกกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดทมพิการามวรวิหารที่มีปัญหากันเอามาแปลความจริงๆปัญหามันไม่เกิดลวครับที่มันเกิดเพราะว่ามีคนอยากได้ใครดีไอ้พวกนี้คิดปล้นที่วัดตลอดวางแผนเป็นระบบจัดการการเป็นส่วนกรรมคือการกระทำกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา ใครทำผิดอะไรไว้มันไม่ได้หรอกครับท่านประธานครับข้อสีคุณยายบอกขอให้เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวรารบิหารจัดการมอบอสังหาริมทรัพย์ขออนุญาตท่านทาลายเก่งรมตีมหาทายเก่งมากอย่าว่าผมสอนท่านรมตีช่วยก่อนน้ากฎหมายคำว่าอสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ผมพูดตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนคนทางบ้านได้รับรู้รับทราบปัจจุ บ, บ, บไม อาหารมาจากไหนสังคมทางต้ น, ตนทุนทำนกขมก็าตามมาอภิปรายไม่ไว้วางใจร้อยตํารวจเอกบุรชัยคุณสมบัติซึ่งบุรชัยนี่มีเขาจะให้เป็นนายกรัะธำนตรีกันบันสองวันนี่แล้วแล้วเหลืมเป็นใครมาพูดที่ต้องพูดเพราะมันมีเหตุมีผลเขาบอกว่าให้จเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารจัดการมอบอสังหาริมทรัพย์และจํานวนเงินถ้ามีให้แกว่วัดธรรมิการามวรวิหาร รวมทั้งสิ้นแก่มูลนิธิมกุฎราวิทยาลัยช่วยจัดทําผลประโยชน์ธรรมทานะครับให้มูลนิธิมหามกุฎช่วยจัดทาผลประโยชน์เพื่อใช้ผลประโยชน์นั้นบํารุงจตุปัจจัยแก่พิสุาสามนเณรหรือจันหลงพระพุทธศาสนาโดยประการอื่นเช่นส่งเสริมศึกษาคันดาธุระและวิปัสนาธุระธรรมทานครับผมไม่ใช่เด็กวัดแต่ผมเป็นคนข้างวัด ศึกษาคันธุรัะตามพจนานุกรมแปลวะ่าศึกษาบาลีศึกษาปริยัติธรรมเทววิปัสนาธุระก็คือการตาั้งวิปัสนากรรมฐานคือการเรียนญญรู้คุณยายศรัทธาประสาทกเรื่องการเรียนประทรมวินยัยพระปริยัติธรรม คุณยายชอบนั่งวิปัสสนากรรมฐานจึงได้ระ บ, บุไว้ในวินัยกลางวัดทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ยกให้วัดวัดมอบมหามงกุฏมหามงกุฎเป็นผู้จัดการมูลนิธิมหามงกุฎได้ประโยชน์จากที่ดินของคุณยายหรือทรัพย์สินต่างๆที่คุณยายมอบให้ก็เอาผลประโยชน์นั้นเนี่ยไปให้กับวัดธรรมิการามโดยคุณยายเน้นไปถึงศึกษาคันธุระและวิปัสนาธุระตามประการครับข้อ6 ข้าพเจ้าขอมอบพินัยกรรมฉบับนี้ให้แก่เจ้าวาดวัดธรรมพิการามวรวิหารหรือผู้แทนและผู้จัด ก, การมูลนิธิโลงพยบานสง์เป็นผู้จัด ก, การมรดกของข้าพเจ้าตามพินัยกรรมนี้และให้มีอำนาจหน้าที่ตามกุณหมายทู่ประกาศคุณยา้บอกไว้ครับพินัยกรรมธรรตทาครับในระหว่างที่เจ้ามรดกหรือคนทาพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่พินัยกรรมคือเสกดาครับ เปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ได้แต่ท่านเจ้าบวลดกหรือเจ้าของพินัยกรรมเจ้าของทรัพย์สินที่ระบุไว้ในพินัยกรรมสิ้นชีวิตนับตั้งแต่สิ้นชีวิตพินัยกรรมมีผลตามกฎหมายมขออนุญาตเรียนท่านประธานครับพินัยกรรมทําเสร็จเรียบร้อยลงชื่อคุณยายเนื้มชํานาญชาติศักดาผู้ทําพิพนัยกรรมคุณสมใจเตรียมสมบูรณ์พยาน ร, รับรองพินัยกรรมคุณทองหล่อใจดีพยาน ร, รับรองพินัยกรรมท่านประธานครับผีกระผมต้องย้ําตรงนี้ เพราะตรงนี้ครับคือที่มาของเหตุนำไปสู่ผลถ้าพินายกรรมเนี่ยทำไม่ถูกต้องจะมีการโต้แย้งจะมีการคัดค้านแต่นี่พินายกรรมทำถูกต้องพอคุณยายทำเสร็จปับ๊บยี่สิบวิกาทีหนึ่งสองบันทึกร้อยตีเสมอใจปุ่มพวงแหวนเพอดุสิตขอรับรองว่ายายเนื่อมชำนาญชาศักดาทํามินดยกรรมได้แจ้งความประสงค์หนึ่งสามสี่ที่ผมเรียนธประธานไปแล้ว คุณเสมอใจระบุเลยได้ลงสมุดทะเบียนมินัยกรรมแล้วเลขที่ 25/2 คกว2512ต่อมาก็ทาทำมาตราครับเป็นวันที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดโดยเฉพาะครอบครัวคุณยาย22พฤษภาคม2514คุณยายเสียชีวิตในวันนั้นรับมรดกตามมินัยกรรมตกเป็นของทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1,599 ถ่านลำธีจดไหมนะ ทันโจทย์ไว้ตอบผิดถูกอย่างไรสังคมจะตัดสินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1,599 และมาตรา 1,603 ในนี้คนเก่งเยอะผมย้ำอีกครั้ง การอภิปรายของผมผ ม, มต้องบุกกับการผ่านไปหาลมทีและให้สื่อมวลชนในตัดสินพี่น้องประชาชนคนทางบ้านจะได้รับรู้ว่าสิ่งที่ฝ่ยายค้านมาพิวายเขาเตรียมการเขาไม่ได้เกลี่ยคุณผู้โดยไม่ได้เกลี่ยคุณสมบัติแต่พวกคุณกําลังจะทําในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องไม่ว่าทําไมถูกต้องยอมไม่ได้ละครับคุณจะพาพ้นดียังไงกันแล้วแต่สังคมจะตัดสินชั่วดีที่ห่างการอภิปรายจะเป็นเครื่องคีย์จัดธรรมทาครับหนึ่งพันห้ร้อยเก้าสิบเก้าเมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทเมื่อบุคคลใดตายคุณยายเนื่อมตายมรดกคุณยายไปไหนครับคุณยายไม่มีทายาทโดยธรรมคุณยายได้ทําพินัยกรรมมอบให้วัดทาง ม, มิการามแล้วระบุให้ใครเป็นผู้จัด ก, การกมรดกชัดเจนเมื่อคุณยายตายพันหของบุบบงกฎหมายแป้งรพาณิษฐ์บุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท ท่านประธานครับได้เห็นว่าเมื่อคุณยายเสียชีวิตกฎหมายแพง้งบอกชัดมรดกตกแก่ทายาทนี่มาตราพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าท่านประธานตามผมมาดูอีกสักนิดสิครับมาตานี้เดียวไม่ได้หรอกครับมันมีรองรับขับเคลื่อนล้อรับซึ่งและหรือแก่กับมันมีอยู่ในตัวครับในมาตราหนึ่งพันหกร้อยสาม กมท่านประธานคะยันขอประท้วงนะคะอดีั น, นางทิศนีมุ่งฝักกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาฉันเห็นว่านะคะพู้อภิปรายนะทำผิดในข้อบังคับข้อที่61นะคะข้อความที่ท่านอภิปรายนี่เป็นข้อความที่ซ้ําซากกับบุคคลอื่นที่ฉันคิดว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะคะที่ฉันในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรใหม่เนี่ยนะคะ แม้แต่การดูยติเนะคะที่ฉันกคเห็นว่าท่านท่านทางท่านประธานเนี่ยนะคะได้ยอมไม่ใช้คําว่ารัฐบาลแทนที่จะใช้คําว่ารัฐมนตรีบางบุคคลณตรงนี้เนี่ยฉันขอประท้วงว่าอ่ า, อาผู้อภิปรายทําผิดข้อบังคับข้อที่หกสิเอ็ดคะแล้วแต่ท่านผ้อภิชาท่านประธานจะวินิจฉัยค่ะขอบคุณครับคุณพิชญ์ีครับผมวินิจฉัยนะครับในขณะ น, นี้ท่านผู้อภิปรายเนี่ยกําลังจะนําไปสู่ การอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าผิดนโยบายอย่างไรซึ่งผู้อภิปรายเนี่ยได้กล่าวนําไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้นการปูพื้นเรื่องตรงนี้ผมอนุ ญ, ญาตให้พีให้ผู้อภิปรายได้อภิปรายไปก่อนครับเชิญต่อครับท่านประธานที่เคารพครับในมาตาันหร้อยสามข้อมูลกฎหมายแป้งและพ่านนิดกองมรดกย่อมตกทอดแก่ไทยย่าบโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพี่นายการรม ที่ดินสองแปลงมังกราว่า124ไร่สองงาน74ตารางวาทันทีเจ้ามารุสตกตายกรรมสิทธิ์ตกเป็นของทญญายาทในมาตราพัน599มาตาพัน603ระบุไว้ชัดว่าตกทอดแก่ทญญายาทโดยสิทธิ์ตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรมทญญายาทที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายเรียกว่าทายาทโดยธรรมทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรมเรียกว่าผู้รับพินัยกรรมวัธรรมิกาลามเป็นผู้รับพินัยกรรมกรรมสิทธิ์ตกเป็นของวัดโดยทันที ที่คุณยายเสียชีวิตถามว่าผมสั่งเองไงผมเก่งมาจากไหนไม่หรอกครับกิตติกาคณะใหญ่ว่าอย่า ง, งานั้นเลยไม่หรอกครับมีคําพิบัติสาสานติกาท่านที่อยู่ทั้งบ้านท่านที่นั่งฟังข้างนอกเอ๊ะแล้วเรื่องอะไรไปกันนี่ที่ท่านผู้นำปนาปคันนี้ไปมันเกี่ยวอะไรครับพู้ลชัยมันเกี่ยวอะไรสมบัติผมบอกเกี่ยวกับท่านสองสองดิครับเกี่ยวตอนท้ายไงอตอนที่เลขากิติกาเขามีหนังสือถึงรัฐมนตรีมาตาย แล้วท่านไม่เทคแอกจ้างคืออยู่เฉยๆแล้วก็ออกมาบอกเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวตามมาดูใครจะประท้วงผมเสียของอย่าไปประท้วงเลยฟังเถอะแล้วเดี๋ยวท่านคอยตัดสินไปประท้วงมันเสียจังหวะแล้วพอดีใครมาอินเตอร์ับเนีผมก็ไปได้ถ้ายิงประท้วงไปบ่อย ก, ก็ทาให้ผมตั้งหลักได้มากขึ้นอย่าไปประท้วงเลยครับฟังเพระว่าพิพากษาต่อไปนะครับท่านระครับจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก็มีแนวทางต้องพิจารณาว่าทันทีที่คุณยายตายเนี่ย กรรมสิทธิ์ปกเปงของวัดโดยทันทีหรือไม่หรือต้องอาศัยประมวลกฎหมายที่ดินตามประมวลกฎหมายยามาตรา84มาตรา85นั่นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองมูลนิธิมหามงกุฎในฐานะที่จะต้องเป็นผู้จัดจา ก, การบรดกเอาที่ดินของคุณยายไปขายตรงนั้นมูลนิธิมีอำนาจหรือไม่ซึ่งผมจะเรียงลาดับต่อไปธรรมดาครับเมื่อคุณยายเสียชีวิตจากนั้นต่อมาเนี่ยฮะ วัดธรรมิกาลามได้สดแสดงเจตนาเป็นเจ้าของครอบครองที่924ไร่ให้เช่าทำนาใบาเสร็จเช่าทำนาที่ผมก็มีอยู่ๆไม่รู้ใครไม่รู้เช้าขึ้นเอาไปฝากไว้ให้บอกฝากให้คุณเฉลิมน้อยผมก็เปิดดูก็ปรากฏว่าเป็นใบเสร็จที่ทางวัดได้ดำเนินการออกให้กับผู้ที่ไปเช่านาขออนุญาตเรียนท่านประธานต่อนะครับว่า วัดในฐานะผู้รับพินัยกรรมอาจใช้สิทธิเรียกร้องเอาที่ดินมรดกที่ระ บ, บุในพินัยกรรมว่าให้ตกแก่วัดได้ตั้งแต่นางเนื่มผู้ทาพินัยกรรมได้เสียชีวิตไปท่านประธานครับผมเรียนท่านระานต่อว่าถ้าผู้ตรงนี้ไม่ชช่แล้วครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งันห้อยเจ็ดสิบสามบอกเอาไว้ว่า การได้มาซึ่งที่ดินตามวินัยกรรมดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งอาสางหาริทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมแม้จะยังไม่ได้จดทะเบียนการได้มาที่ดินนั้นก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทแล้วกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นทายาทตรงนี้คือทายาทตามมินายกรรมคุณยายมอบ เป็นทา ย, ยาทตามพีนายกคุณยายเสียชีวิตที่ดินตกเป็นของคุณยายแล้วที่บอกว่าไม่จดทะเบียนตามกระบวลกฎหมายที่ดินไม่ใช่เลยครับเพราะคนหมายแป้งเขาเขียนไม่ชัดเจนท่านประธานครับไอ้พวกผมมันต้นทุนสา่งตังคมตามต้องทําการบ้านหนักครับอยู่ไปยืยนพูดแปก๊กเขาไม่เกลียร์หรอกครับไม่เหมือนท่านรัฐนตรีมหาไทยเอี้ยวซ้ายโอโ ห, โหยางกระโคบานในหนังคล้ายๆจ่อหมดขอเรียนท่านประธานต่อนะครับคําพิปากาศาสานดีกาคําพิปากษาสานดีกา ที่1812ทับปส2106สารดีกาวินิจฉัยว่าเจ้าของที่ดินทำพินัยกรรมยกที่ดินให้แกโจทก์เมื่อเจ้ามรดกตายที่ดินจึงได้ตกแกโจทย์ตามพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1,672 โดยหาจำต้องทำการรับมรดกแล้วเข้าครอบครองที่พิพาทจึงจะมีอำนาจใหม่ ท่านปราครับตรงนี้ชัดเจนเะนีเมื่อมาตามร้อยเจาระบุไว้ชัดและมีคําพิพากษาสารฎิกาคาพิพากษาสันติกาเป็นคําพิพากษาสูงสุดแม้กระทั่งผู้พากษาตาการท่านจะพิจารณาคดีใดก็ตามถ้ามีคําพิพากษาฎีกาอยู่แล้วถ้าจะเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาสารฎิกาต้องเอาเข้าสู่ที่ประชุมผู้พากษาสารฎิกาเรียกว่าองค์ประชุมใหญ่ นี่สามทีการมมีไว้1 8ึ่งแปดทัมาตราพันหสิบสามสิบหน้าที่ใดๆอันเกิดตามพินัยกรรมให้มีผลบังคับเรียกร้องกันได้ตั้งแต่ผู้ทําพินัยกรรมตายเป็นต้นไปเว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมจะได้กําหนดเงื่อนไขเงื่อนเวลานี่คุณยายเนื่อไม่ได้กำหนดเงืนินไขเงินเวลาอะไรเลยครับท่านที่คุณยายตายผลเกิดขึ้นตามประมวลหาา 1, ามายแป้งหนึ่งพันห้าร้อยเาสิามประธานตามบุญไมอีสานี้นะครับ ตามมริการมมติาครั บ, บ, าา ค, รบคำพิพากษาสารดีกาที่1619สารดีกวินิจฉัยว่าการได้มาโดยทางพินัยกรรมทายาทได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ตั้งแต่เจ้ามารโลกตายแม้ยังไม่ได้จดทะเบียนสิทธิ์นั้น หนแล้วครับที่ออกไปพูดกันเป๋าเปล่าเปล่ล่รัฐธมนูญมหาไทยไม่อาจนุญาตถือยังไม่มีเจ้าของไอ้นั่นเป็นความเห็นส่วนบุคคลนี่เป็นคําพิพากษาสา ร, สารดีกาขอเรียนท่าประธานนะครับว่าบางคนบอกว่าวัดไม่เอาว่าไม่มีเงินจดทะเบียนไปรู้อะไรด้วยฮะไปเกี่ยวอะไรกับวัดพรก็กรรมสิทธิ์ตกเป็นของวัดเมื่อตกเป็นของวัดวัดเป็นเจ้าของก็ที่ดินของวัดก็เป็นที่ธรณีสง์ที่ธรณีสง์ใครรับรองครับใครดูแลกรมการศาสนา แล้วไปยุ่งแหละครับแบบวัดไม่มีตังค์โอ้ยวัดเอาสิบล้านพวกคุณไม่รู้วัดไม่มีตังค์แล้วคุณมาพูดจาอะไรอ้พวกพูดไม่รู้เรื่องก็ไอ้พวกทํามันทุจริตมันโกงวัดแล้วไปบอกไอ้พวกพูดไม่รู้เรื่องทรานประธานดูต่อครับมาตราหนึ่งพนหกรบสอการสละมรดกนั้นต้องแสดงเจตนาชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือมอบไว้แก่พนัก ง, งานเจ้าที่หรือทําเป็นสัญญาประณีประนอมยอมฟามไม่มีนะครับและจะไปอ้างว่าเป็นการสละมรดกท่านระธาครับ ที่ผมเรียงลาดับอย่างนี้ผมจะบอกกระธานประธานว่าสังคมวันนี้กำลังสับสนมีคนออกมาบอกว่าเราใครเสียหายนี่แค่คิดก็โง่แล้วคนพู้เช่นนั้นที่บอกว่าเราใครเสียหายที่ดินของรัฐเป็นสมบัติของชาติเป็นศาสนสมบัติคนที่เสียหายคือรัฐเป็นผู้เสียหายไม่ใช่บุคคลเสียหาย ที่บอกว่าไอ้ฝ่ายค้ามมาหาเรื่องโดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์ร้อน เ, เอมียเฉลิมมาหาเรื่องต้องหาสิครับปล่อยอย่างลอยนวลได้ยังไงล่ะครับทุจริตประพฤติมิชอบสมคบมันใช้เสียงข้างมากปกปิดปกบังทําโคตรนาชวนเที่ยประชาชนชื่นชอบก็เอาความชื่นชอบมาก่อให้เกิดความผิดพลาดท่านาประธานครับเมื่อที่ดินวทั้งสองแปลงดังกล่าวตกแก่วัดที่ดินวทั้งสองแปลงจึงเป็นที่ธรณีสงท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านจดไว้ เป็นที่ธรณีสง์เป็นไปตามบัญญัติคณะสงฆ์พศ2505มาตราสารที่3บัญญัติไว้ว่ามาตราสารที่3ที่วัดคือที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้นสองที่ธรณีสงคือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัดกระปนาครับที่กระปนาแถมไปนิดนึงตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแต่ที่กระปนาคือที่ที่วัดม้อไปคนเก็บประโยชน์จากที่แต่ไม่ยกให้เป็นสมบัติของวัดเอาประโยชน์จากที่นั้น ไปบำรุงพระพุทธศาสนาเขาเรียกที่การปณะนะมาตาสามสสามระบุชัดที่วัดคือที่ตั้งวัดตลอดจังเขตวัดนั้นที่ธรณีสงคือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัดคุณยายเนื่อมเสียชีวิตเก้ารอยี่สิบสี่ไร่สองงานเจ็ดสิบสี่ตารางวาตกเป็นของวัดธรรมิกาล า, ามตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีริขันถือว่าเป็นที่ของวัดแต่อยู่ประตธานี หลับหูหลับตาออกมาบอกว่ามันไม่ใช่ที่วัดใช่ครับมันอยู่ในคําจํากัดความอนุสองมาตาสามสาคือที่ธรณีสงศ์วัดเป็นเจ้าของท่านประธานครับเขาบอกเอาว่าการจะโอดกรประสิทธทิ์ที่ธรณีสงศ์ไม่ใช่สองแปลงนี้นะที่ธรณีสงศ์ทั้งหมดจึงตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงศ์พศสองพรยห้ามาตาสามสิบสี่ท่านประธานต้องตามพ้นไปดูมาตาสามสิบสี่เขาว่าอย่างไง มาตาสาสิบสี่การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดที่ธรณีสงฆ์หรือที่าศาสนสัาิกลางให้กระทำได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติผมต้องบอกใครไหมครับว่าพระราชบัญญัติชื่ออะไรก็คือต้องออกกฎหมายทรร่านเ่ัฐงหมดทีสองคนบูเรอโฉมท่านต้องฟังเนี่ย แล้วท่านตอบอย่าไปเอาความคิดเลยผมคิดอย่างนี้มาถูกมันไม่ใช่คำพูดไม่ได้ถูกผิดทุกอย่างต้องขึ้นกับพยานหลักฐานภาษาสิทธิลาติงเขาถึงบอกรมปานที่ลบยูบ s โซสเ a ส I อบีจ so ุดมีรัฐที่ไหนต้องมีกฎหมายที่นั่นบ้านเราปกครองระบบนิติรัฐเลกอนสเตบบ้านเรามีรอยเอซอนเน นั่นคือกฎหมายมีผลนะครับใช่มีพระปรีกรอนั่นคือกฎหมายมหาชนกัษตร์สุมาศัยจัดใช้รัฐศาสตร์นั่นี่ทสายงานนี้ไม่ได้ถึงแม้จะบอกรับปรีกรอแอสโปลิทิคอนสายนั่นกฎหมายมหาชนคือรัฐศาสตร์นี่มันเป็นเรื่องมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรขออนญาติบัญเรามันกฎหมายลายลักษณ์อักษรจะมาอุปมาอูปมไม่เรื่องเดียวกันไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดอาศัยภาพตัวเองออกมาการันตีสังคมไม่มีทางอะ นักการเมืองอย่างผมไม่มีวันเชื่อไอ้พวกดามะเท่า เ, เาเหตุเอาผลมาว่ากั น, ท, นท่านเฉลิมครับมีผู้ประท้วงนะท่านประชานครับผมพองชีวั น, นันต์นะครับร ส, าสาจากจังหวัดพระนคนรศรีอยุธยาเขตดสองครับเอผมนั่งฟังตั้งแต่ชามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ เ, เมื่อกี้ผมก็พยายามจะฟังโดยครั้งหนึ่งนะครับตามที่ท่านประธานได้วินิจฉัยแล้วนะครับ ผมก็ยังมีความเห็นนะครับว่า อ, อ, อภิพายซ้ำจากจากเมื่อทีที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้อภิปรายนะครับมีความแตกต่างอยู่อย่างเดียวนะครับก็คออือของท่านผู้นำฝ่ายค้านเสียงนุ่มเบานะครับแต่ของท่านผู้ว่าอภิปรายขนานี้เสียงดังนะครับก็ขอให้ท่านประธานช่วยวิจารณาหน่อยครับครับขอบคุณนระท่านผู้ประท้วงครับคือ ผู้เราก็คงนั่งฟังกันมาโดยตลอดนะท่านผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยได้กล่าวนำไม่ได้ลงในรายละเอียดตอนนี้ท่านร้อยตํารวจเอกเฉลิมเนี่ยกําลังลงรายละเอียดท่นนี้ผมขอความกรุณาท่านผู้อภิปรายนะครับว่าตรงไหนที่ได้พูดไปแล้วเนี่ยอย่าซ้ําประเด็นนะฮะคือท่านผมเข้าใจว่าท่านพยายามที่จะตอบย้าเพราะการพูดในแง่กฎหมายเนี่ย จะพูดให้คนมองเห็นภาพเนี่ยท่านต้องตอกย้ำทีนี้เมื่อท่านตอกย้ำบ่อยๆสมาชิกก็จะประท้วงผมได้ว่าเป็นการอภิปรายซ้ำซากพวกวรนะครับเพราะฉะนั้นพออภิปรายผ่านไปผมเชื่อว่าเ ว, าวลีลาอย่างท่านเนี่ยท่านอภิปรายไม่ต้องตอกย้ำซ้ำหลายหุ่นละประชาชนเข้าใจได้นะครับเชนพูดอภิปรายต่อครั บ, บท่านประธานตุ้งรบครับพอผมได้บอกไปว่าที่โตนาอิสงเนี่ยจะต้องออกเป็นพระรามหยัดเท่านั้นที่จะต้อง โอนกันได้ผมถามประธานนี่แต่ผมยืนขึ้นมาบอกว่าผมไม่ไว้วางใจคุณบุรชัยคุณตุบ๊บัดเพราะกรณีไม่ได้บัตรตามนโยบายสังคมไม่ด่าแล้วครับในโหมโลกันดีนักะฝ่ายรัฐบาลโอ้โหมาคืนเปิดวอลลุ่มอย่างสงครามบุตรถลมบินลาเบ้นหัดฟังบ้างสิครับเพราะอภิปรายไครบวชก็แพ้จะได้เป็นกุศลกับตัวท่านบางคนไม่รู้แล้วครับรับธงออกมาคอยจะประทง้งประท้วงประทว้ะทวงทําไมครับกําลังดีดีอยู่ครับ อ่าครับท่านเฉลิมครับท่านว่าเรื่องของท่านเลยนะฮะจะได้ม่เวลาสภาไน้มเสียใจังหวะไอ้ผมไม่เสียใจังหวะคนดูทางบ้านก็โอ้ยกาลังไลแม็กท่านเฉลิมครับมันเป็นสิทธิ์ที่สมาชิกเขาจะลุกขึ้นประชุมก็ไม่มีปัญหาแล้วผมปลาโลัตนะน่ะนะครับเพราะนั้นท่านเฉลิมไม่พิพายตอบแต่ถ้าคิดประทวงก็อยากออกทีวีก็อย่าทเสียของให้ผมอภิพายนะครับท่านประธานที่เคารพขออนุญาตท่านประธานนะครับพอคุณยายเสียชีวิต กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ตกเป็นของวัดเป็นที่ธรณีสงตามมาตราสามสิบสี่การจำหน่ายจ่ายโอนต้องตาเป็นพระราชบัญญัติถามว่าที่สนามกอล์ฟอันภายเก้าร้อยยี่สิบสี่ไร่สองงานเจ็ดสิบสี่ตารางวาที่ไปเอาจำหน่ายจ่ายโอนเพราะความเห็นรัฐมนตรีช่วยมาไตายผมจะพาพิงถึงใครไม่ขอโทษไม่ขอโทษขอประทานโทษเ้วยชื่อท่านเพราะผมตั้งใจตั้งใจพาพิง ชื่อนายสนธ์เสียนทองทาง่านไปโเซัสส่วนมีเอกสารหลักฐานหรือเปเดี๋ยวจะเอามาให้ดูทา่นทานประธานครับที่ดินเป็นที่ธรณีสงจะไปซื้อไปขายกันไม่ได้ต้องออกเป็นพระราชบัญญตัติถามว่าตรงนี้ชัดไหมชัดครับแต่ว่าเราตรงที่มาดใส่รําตาีช่วยปากแข็งขาสัน่นไปบอกว่าโอ้เออฝ่าย้าไหม่รู้จักกฎหมายฉบับใหม่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการในการปกครองจริงๆอะผมสงสารท่านนะ รรทาระธานที่รับฝากบอกไปยังล้ำตรีเพราะท่านเนี่ยเป็นคนพูดแล้วคนก็เชื่อบางทีท่านพูดเรื่องผิดๆ เ, เด็กเล็กๆคกกนดูว่าโอ้โหนี่เป็นสัญลักษณ์ความถูกต้องที่พูดมาผิดหมดวิปกครองเนี่ยมันไม่มีสอง9บร้อยสาสิบเก้า มันมีแต่พระรามอยักวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมันมีวิแ้งพิจารณาคดีสารแผงวิหายาพิจารณาคดีสารเฮยวิปกครองเกิดขึ้นพสศสภเรา42หลังจากมีสารปกครองแล้วท่านเฉลิมครับเอาเอาเอ า, เอาในสาระที่ท่านเฉลมิมมาที่ปลายไม้ไว้มาแก้กอนี่นฮะท่านประธาน ก็ร่ำดีออกมาสร้างความสับสนให้สังคมไทยจึงเป็นที่มาของกั น, กนอบอุ้มสนามกอล์ฟอันภยัยจึงเป็นที่มาก่อนสนับสนุนคนทำปีกฎหมายไม่ต้องรับโทษอย่างที่ท่านชวนหลีกภยัยท่านได้บอกไว้ผมต้องพูดสิครับถ้าไม่พูดจะพิจ า, า, าย์ทำไมวันนี้ไม่ใช่เวทีชมรัฐมนตรีและผมพูดเสร็จก็ตอบมาได้นี่ครับท่านจะเที่ยวไปพูดบ่อยเพราะท่านพูดแล้วมันผิดเด็กไม่รู้นี่ก็เป็นเรื่องถูกก็เลยประทับปูระชัยพูดระทูงงอนผิ ด, ด, ดวิปกครองไม่มีสองพ่า วิปกครองคือการขั้นตอนการดาเนินคดีในศาลปกครองเกิดมาปี2 8 4 2ในชวนหลีกไปเป็นนายยกล่ำตีจัดตั้งศาลปกครองตามบทบัญญัติล่ำูนูฉบับใหม่และมีวิธีพิจารณาคดีทางกาปกครองส่วนปี39เขาเรียกพัราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริราชการทางปกครองพูดไปก็น้อยใจแทนท่านผนาศิลปะอาชาไอ้กฎหมายฉบับ น, นี้นายบรรหารคิดอาจารย์ปูินเขียนผมเป็นรัำียุติธรรม ท่านชวนเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วออกกฎหมายมาครับเพราะได้มาสั่งสอนฝ่ายค้านไม่รู้ระเบียบไม่รู้กฎเกณฑ์พลเอกเวลิมิศออกกฎกระทรวงผมเป็นลัฐมตีช่วยมาตายคุณปุรชัยคุณสมบัติเวลาจะสอนกฎหมายออกโทรทัศน์ต้องระมัดระวงังนะระมัดระวังสำคัญนะเพราะด่วยการท่านเป็นนายกได้ผมไม่นวง เอาเรื่องเช็พระพูดตลอดพวกนันซื้อพิมพ์ไม่รู้ไม่แอชเชียเป็นเหมือนในหนังแขกพบปีเป่าก็งูขึ้นกันเลยนี่เป็นอย่างนี้ครับท่านประธานครับขออนุ ญ, ญาตส่านประธานต่อนะครับว่าเมื่อ คุณยายตายกรรมสิทธิ์ตกเป็นของวัดก็มีผู้จัด ก, การมรดกวันที่หนึ่งกันยา 2,114 ่งสารแ่งได้มีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่5195ทับ2อ1 4ตั้งผู้จัด ก, การมรดกสามคนคนแรกท่านพ์สุนทราชุนผู้พิพากษาเก่าคนที่สองก็นายโหงสุวรรณฮิรันวัยยาวัจกร กรรมาการวัดรรมีการาบอวระิหารท่านที่สามก็ในแพทย์วิรัต์มักดวงแก้วแปดปิหนาค้นพบ115ที่ผมเรียงลำดับโยให้เห็นจะให้ประธานเห็นว่ามันมีขบวนการขบวนหนึ่งดำเนินการลอบบีพระดำเนินการจัด ก, การทุกอย่างเพื่อให้วัดซึ่งขาดความเข้าใจบทบัญญัติของกฎหมายยอมแสดงเจตนาตอทางเปิดเรียกว่าสังคมทางฟาง ทั้งๆ ท, ที่ตามกฎหมายพระไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วกรรมสิทธิ์ตกเป็นของทางวัดเรียกว่าที่ทรณีสงเอาไปจำน่ายใจโอนต้องออกเป็นราบหยัดเท่านั้นแต่มามีขบวนการผมตึงเรียงลำดับวันที่เมื่อคืนตีสองไม่ได้รับ ว่าเอ๊จะเอาวันที่ตรงไหนไมาให้สังคมได้รับรู้แต่ปีนาคมว้า115ผู้จัดจา ก, การกระโดดทั้งสามคนได้ไปยื่นคำร้องต่อพนัก ง, งานที่ดินขอใส่ชื่อในที่ดินเพื่อมีอำนาจดูแลที่ดินที่คุณยายได้ทำพินัยกรรมมอบให้วัดท่านประธาครับปี2519ท่านพดสุนทราจุนท่าละอาไอ้พวกเหลือผ้าเหลืองท่าละอาไอ้มดุษทรมีสง ท่านก็บอกว่าขอลาออกจากการเป็นผู้จัด ก, การมรดกวันที่10เมษายน2529คุณหมอวิรัต์ก่อนลำคาญไอ้พวกตามทึ้งตามดำเนินการจะเอาที่วัดไปขายให้ได้ทั้งทั้ ง, ท, งที่ต้องออกเป็นบัญยัดท่านก็ไปปรึกษาผู้รู้ทางกฎหมายทีนี้ระบวนการเริ่มต้นมาแล่วครับ1สิงหาคม2530ในหงสุวรรณีรั น, นได้ทาหนังสือถึงเจ้าวาด บอกว่าให้ขายที่เถอะแล้วเอาเงินมาจัดตั้งเป็นมูลนิธิก็ไม่ขายไม่ได้ต้องออกเป็นกฎหมายเพราะอะไรครับเพราะมีนักการเมืองภาคกลางผมต้องขอประทานโทษการอภิปรายไม่ไว้บางใจต้องต่อนหนังให้เห็นเป็นฉากๆนักการเมืองภาคกลางไปเห็นที่สวยงามเข้าสรงผู้คนเข้าไปสนิทสนมกับพระสงฆ์องค์เจ้าทีวัธรร ม, มิการาม ไปสนิกกทกับนักขายกไปล้างสมองโจทั้งในหงทำหนังสือถึงเจา้าวาดและมีการประชุมพระในวัดนั้นบอกว่าให้ดําเนินการตามพินัยกรรมข้อสี่ท่านประธานผมอ่านให้ท่านประธานได้รายเห็นท่านประธานได้ฟังได้ยินว่าพินัยกรรมข้อสี่ไม่ได้บอกให้ขายที่ที่คุณยายมอบให้ เต้นแต่เพียงวัดเอาที่ไปหม้อไปมูลนิ่ที่มหามงคลแต่ในหงซึ่งได้รับการสั่งสอนในทางที่ผิดจากนักการเมืองบางคนก็ไปบอกว่าใครขายเถอะพระท่านไม่รู้กฎหมายผมไม่ทํานี้ท่านพระสงฆ์องค์นั้นเพราะท่านมรณภาพไปแล้วท่านก็มีการประชุมแล้วบอกว่าอย่างนี้ต้องดาเนินการขายท่านครับหนึ่งสิงหาพอมาเก้าสิงหาอะไรเกิดขึ้นครับ วัดธรรมิการามได้จัดประชุมคณะสงฆ์มีข้อตกลงเรียบร้อยให้ขายที่ดินทั้งสองแปลงเมื่อขายได้เงินแล้วให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิของวัดวันที่สิบกันยายนธรรมดาทิกรบวันที่สิบกันยายนนะเจ้าวัดวัดธรรมิการามมีหนังสือถึงรัฐมนตรีมาอไทยเพื่อขออนุญาต การได้มาของที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 84, 85สองแปลงนวหน่้งที่124ไร่สองงาน74ตารางวาท่านประธานครับพอมาถึงตรงนี้ขออนุ ญ, ญาตเรียนท่านประธานนี่นะครับตากระตุกระตั้งกับใครบ้างผมต้องขอประธานโทษขอประธานโทษจริงๆแต่ว่าตั้งใจตั้งใจให้สังคมไทยได้รับรู้ผมยังเชื่อ ว, ว่าทานรัมปีมาอัตไทฟังผมอภิปรายเสร็จกลับไปกระทรวงเลยดําเนินการกับจัดตั้กฎหมายให้เรียบร้อยจะทำหรือไม่เดี๋ยวจะได้รู้ว่าท่าน มีมาตรฐานหนึ่งหรือดับเบิลมาตรฐานแต่จะทําทเป็นคนที่อันทัศน์เปิลไม่ได้มีเหตุผลต้องว่ากันท่านประธานครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันร้อยสามสิสมเอกสารเลขที่หนึ่งบรสส า, า 3, เรื่องขอให้จาัด ก, การประโยชน์ที่ดินอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีย่อหน้าลองสุดท้ายกระผมจึงขอกาเปลียนมาคือพระเจ้าวาราวังศา์บรรนะเพื่อขอเปลี่ยนตัวผู้ดําเนินการคือผู้ดําเนินการการขายที่ดิน นะครับจากคุณวาลุณีสมานวรวงมาเป็นนายวิทยาเทียนทองพระไม่ใช่ผมทำหนังสือพระเป็นคนทำจ้าวว่าวัดธรรมมิการามทำเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันาร้อยสาสามนวิทยาเทียนทองไปเกี่ยวด้วยยังไงตัวเอกสารยูยูโดดพรวดอา้าวหลวงพ่อบอกว่าอา้าวถ้าจะให้คนจาัด ก, การขายเรื่องนี้ ต้องให้ในยายน ว, ว, าานวิทยาเทียนทองหลวงพ่อได้อ alarm พบทต่อว่าเพราะนายวิทยาเทียนทองไปหาลือกับท่านผู้จ ก, การมูลนิธิมหาบงกุฎราชวิทยาลัยแล้วมีทางที่จะทําได้สําเร็จโดยมิชักชา้าซึ่งได้ไปติดต่อกับหมอวิรัตผู้จ ก, การมรดกคนหนึ่งของนําเนืบอชํานาญชาติศักดิดาแล้วส่วนผู้จ ก, การมรดกอีกคนหนึ่งคือนายหงษ์สุวรรณีลานนั้นเป็นกรรมการวัดธรรมิกาลามอยู่แล้ว กรับผมจะได้มอบหมายไปติต่อกับมูลนิธิมหามุกุดราชวิทยาลัยและคุณวิทยาเตียนทองโดยตรงหรือให้ทำใหมมอบฉันทะนี่คุณวิทยาไปเกี่ยวแล้วครับท่านประธานตามผมไหมนี้นะพอมาถึงวันที่สิบสี่ตุลาคมสองพัร้อยสามสิเบ็ ที่ดินจังหวัดปทุมธานีมีหนังสือถึงทิศดีกรมที่ดินเพื่อพิจารณาดําเนินการเสนอรัฐวีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามอํานาจหน้าที่กรณีวัดมีที่ดินเกินห้าสิบไร่ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตราแปดสิบสีของประมวลกฎหมายที่ดินคือให้อํานาจรัฐมนตรีเขาเขียนไหครับเขาบอกว่าวัดเนี่ยมีที่ดินไม่คุ้มทางเศรษฐศาสตร์ไม่เป็นการ i n v e น t m e n t investor ไม่เป็นการลงทุน ทำมีมากเป็นที่ดินตายกฎหมายที่ดินจึงบอกไว้ว่าถ้าจะมีที่ดินเกินห้าสิบไร่ต้องได้รับมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านประธานครับขออนุ ญ, ญาตท่านประธานสักนิดนะครับว่ามาตราแปดสิบสี่เขาบอกว่าเมื่อต้องการให้ที่ดินเนี่ยมีเกินห้าสิบไร่อนุมัติรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีมีอำนาจนะครับ อนุมัติหรือไม่อนุมัติเท่านั้นแหะครับไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นถ้ารัฐมนตรีบอกว่าควรอนุมัติก็แปลว่ามีได้ถ้าไม่อนุมัติก็แปลว่ามีไม่ได้ถึงแม้รัฐมนตรีจะไม่อนุมัติกำมธิ์ในทรัพย์ก็ตกเป็นของวัดเรียบร้อยแล้วเป็นที่ธนนีสงฆ์ท่ครับมาตา8บเปิดช่องหายใจกรณีจีรัฐมนตรีไม่อนุมัติ ให้วัดมีที่เกินห้าสิบไร่มาตราแปดสิบห้าวัดต้องดำเนินการจาหน่ายจ่ายโอนที่ดินส่วนที่เกินภายในห้าปีถามว่าอยู่ๆไปเลข่ขายมันตลาดสดได้ไหมไม่ได้หรอกครับแล้วทำไงครับวัดต้องดำเนินการให้กรมศาสนาออกเป็นพระราชบัญญัติขายที่ดินในส่วนที่เกินไปขออนุญาตท่านประธานต่อนะครับว่าสิบสี่ธันวาสองพร้อยสามติเอ็ด ที่ดินประทุมธานีทำหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินว่าไม่อนุญาตให้วัดมีที่ดินเกินแปลว่าเก้าร้อยี่สี่ไร่สองงานเจ็ดสิบห้าตารางวาที่ดินญญธัญบุรีเห็นควรไม่ให้มีเห็นควรวัดไม่ได้แต่กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของวัดเรียบร้อยแล้วท่านระธาครับพอมาสิบห้ากุมภาสองพันหร้อยสามสิบสองกรมที่ดินมีหนังสือถึงประหลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมมีความเห็นว่าให้วัดได้มาซึ่งสิ่ดินเกินจำนวนที่กำหนดไม่ได้แปลว่าไม่ควรอนุญาต15กุมภาพันธ์2 2เสนอท่านอาลีวงอรารยะท่านเป็นรองประลัดพอมาวันที่23กุมภาพันธ์2 2นายอาลีวงอรารยะรองประหลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนประหลัดกระทรวง ได้มีบันทึกที่มทออ0ูนย์เจ็ดศูดทับเก้าดถึงร่ำตีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่งการและหนังสือฉบับล่าวได้นําเสนอเล ข, ขานุการรัฐมนตรีเมื่อหนึ่งมีนาคมสองพสามสิบสองเวลาสิบหกนากาสสินาทีท่านประธานครับสมัยนั้นผูนเ้เหนกายแชายเป็นนายกรัฐมนตรีผมนี่นะครับนั่งรัฐมนตรีสํนานักนายกอามันทันประมาณอดีตเอกสารเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสาหลักบ้านเมืองคือท่านสนอเทียนทองท่านตั้งตัวเองผมไม่ได้ตังต้งท่านท่านบอกท่านเป็นเสาหลักท่านเป็นลําดีช่วยมาหาไทยเขาเส น, นอหนังสือหนึ่งมีนาสามสองเวลาสิบหกนาฬิกาสาสิบนาทีหายไปเกือบหนึ่งปีจนกระ ท, ทั่งสิบสองกุมภาพันธ์สองพน้อยสามสามท่านสนอลําดีช่วยปฏิบัตริราชการแทนลําดีว่าการกระทรวงมาหาไทยได้สั่งการสรุปว่า ไม่อนุญาตให้วัดทางมิการามได้มาซึ่งที่ดินมอกทั้งสองแปลงนาเก่าวและให้เจ้าอาวาสวัดทางมิการามดําเนินการตามข้อสี่แห่งพินัยกรรมท่านประธานครับไอคนมันเรียนกฎหมายมาเนี่ยอย่างที่นายกเขาเน็บแนมก็อย่าไปโทษเขาเลยว่าคนมันเรียนกฎหมายมาเนี่ยมันก็ปฏิต่อเราก็มาดูอ่ะบันทึกจากที่ดินประทุมธานีมายังอธิบดีกรมที่ดิน ไม่มีเรื่องพินัยกรรมเพราะเขาเสนอตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา84ว่ารัฐบาลไทยเธอจดอนุญาตให้เกินไหมอนุญาตหรือไม่อนุญาตอธิบดีกรมที่ดินโดยรองอธิบดีปฏิบัติราชการมีบันทึกถึงประลาดกระทรวงหมหาดไทยรองประลัดมีความเห็นไม่มีถ้อยคําตรงไหนเลยที่เกี่ยวข้องกับพินัยกรรม เขาบอกว่าเหงควรไม่ให้มีเกินเหงควรไม่มีเกินแต่รัฐมนตรีช่วยมหาไทยขณะนั้นบอกว่าไม่อนุญาตให้วัดธรรมมิกาลามได้มาทึ่งสีดินมรดกต้องสองแปลงดังกล่าวและให้เจ้าวาดวัดธรรมิกาลามดําเนินการตามข้อสี่แห่งพินัยกรรมถางพระท่านเสนอรู้ได้ยังไงครับว่าพิ่นัยกามข้อสี่เขาว่ายังไงหรือว่าไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานยานกาแก้หลับรารู้เลยทั้งที่เขาไม่เสนอมา นี่ ค, ครับมันมีที่มาที่ไปมาแล้วครับนี่นะครับ15กุมภาสเสนอประหลัดเรื่องเดิมข้อเท็จจริงข้อกฎหมายข้อเสนอแน่ไม่มีครับไม่มีเลยที่จะบอกว่าพี่นกยกมข้อสี่ว่ายังไงแต่ว่าในสนองเสียนทองไปบอกว่าไม่อนุญาต ให้วัดธรรมิการามได้มาซึ่งซที่ดินมรดกทั้งสองแปลงดังกล่าวและให้จเจ้าอาวาสวัดพิณาวัดธรรมิการามดําเนินการตามข้อสี่แห่งพินัยกรรมนี่ฮะทํำอะไรไหม ช, ชัดเจนไหมรู้ยังไงเอาข้อสี่ว่าไงเขาไม่ได้แน่ไปเขาไม่ได้หาลึกเขาไม่ได้เสนอแนะเขาบอกจะให้เกินหน้าสิบไร่หรือไม่ท่านประธานครับขออนุญาตท่านปรานต่อไปนะครับว่าเมื่อสิบสองกุมภาสามสาม เมื่อท่านบอกแล้วว่าให้ดําเนินการพินัยกรรมข้อสี่ขออนุญาตเรียนต่อนะครับว่าพอวันที่หนึ่งสิงหาวันที่หนึ่งสิงหาผู้จัดการมาบอกเก่าตายหนึ่งสิงหามีความเห็นมาคุยขายที่ดินเอาเงินมาจัดตั้งมูลนิธิท่านท่านเฉลิมครับมีผู้ประท้วงนะครับได้ครับเชิญนะครับไม่มีปัญหาครับ ท่านธานที่เคารพกระผมว่าที่ร้อยตีพวงพันสุนทรชัยสมาชิกสปรารูตแบุรนรสวรจังหวัดน้องคายพักไทยรักไทยท่านธานที่เคารพครับท่านผู้ที่กาลังอภิปรายอยู่ในขณะนี้ผิดข้อบังครับข้อ61จริงๆแล้วผมนั่งฟังแต่เมื่อเช้านี้แล้วครับว่าประเด็นการอาภิปรายนั้นซ้ำกับบุคคลอื่นนะครับตรงนี้ อยากให้ท่านประธานได้พิจารณาด้วยเนื่องจากว่าจะมผีผู้ที่จะขึ้นมาพิพายในลักษณะ น, น, นี้อีกจํานวนหลายคนนะครับทําให้เสียเวลาสภาจึงของกลับไปนั่งประธานสภาด้วยครับครับท่านเฉลิมครับ <c oughs> ท่านสมาชิกได้ประท้วงว่าท่านได้พิปพายซ้ํากับที่ท่านผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยได้พิปพายนําไปแล้วเมื่อตอนเช้า <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ผมขอความกรุณา น, นะครับว่าเรารักษาเวลาของสภา เหตุการณ์ที่ท่านเฉลิมได้พิปプายเนี่ยเมื่อตอนเช้าท่านผู้นําฝ่ายค้านก็ได้พิปプายในลักษณะนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ได้พิปプายแล้วพอทําความเข้าใจแล้วท่านข้ามไปแล้วก็นําไปสู่จุดที่จะพิプายไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีว่าการและลรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แล้วกันครับส่านประธานครครับท่านประธานจะอะไรเห็นว่าผู้คนไม่ออกมาอ้างว่าที่ตรงนี้ยังไม่เป็นของวัดเพราะว่ายังไม่เห็นเอกสาร มีใบอัดนโมทนาบัตรจากสมเด็จพระสังฆราชประธานกรรมการมหาเถรสมาคมออกใบอัดนุโมทนาบัตรให้คุณยายเนื่องชั่นาญศักดาเมื่อ21สิงหา2517นะครับท่านประธานครับเวลาเราเกล่าวหาเขาเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นๆ น, นะมันต้องมีเหตุมีผลให้ชัดว่าเป็นที่วัดที่ตอนี้สงฆ์จะเอาจำนายใจโอนได้ต้องปเป็นพระบัญญัดินี่ชัดเจนนะ ครับท่นประธานดูต่อนะครับค่อนขั้นชัดเจนแล้วนะครับเมื่อตอนชาร์ท่านผู้นําฝ่ายค้านก็ได้ย้ำไปเดินต่างๆเหล่านี้แล้วตัวท่านเฉลิมเองก็ย้ำแล้วคนเรียงกฎหมายด้วยกันเนี่ยอภิปรายคล้ายกันแต่คนละแนวทางครับคนละแนวทางแต่สาระมันคล้ายกันเพราะฉะนั้นผมก็อันนี้เป็นสิทธิของฝ่ายค้านนะครก็ในเมื่อเราเห็นว่ามันผิดก็ต้องบอกให้รู้ว่าผิดผมท่านประธาต้องเห็นใจผมเนี่ยืนพูดสังคมมองเฉลิมมันมาพูดเนี่ย โอ้โหปูลชายไปไหนแสงหูกองวับแๆ้ผมมาพูดไม่ชัดเจนไม่ได้หรอกครับต้องชัดเจนนะผมเคารพในสิทธิที่ท่านจะพิลาย ในขณะเดียวกันผมก็ไปละเลยสิทธิของสมาชิกไม่ได้เหมือนกันเพราไ ป, ไป็นไรครับประท้วงในรอบนี้นนสมาชิกได้ประท้วงมันจะทําให้เวลาของสภาเสียไปแล้วผมเองก็ได้วินิจฉัยแล้วนะครับว่าถ้อยคําที่ท่านเฉลิมได้พิลายเนี่ยท่านผู้นําฝ่ายค้านได้พิลายไปแล้วเมื่อตอนเช้ารอบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะซงวนเวลาด้วยการใช้ถ้อยคําที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้พิลายไปแล้วแล้วสรุปเนี่ยผมคิดว่าจะทําให้เวลาของเราไปได้เร็วนะครับท่านประธานครับผมไม่ได้โต้แย้งประธานนะท่านผู้นาฝ่ายค้านเนี่ยทำเปิดยติ ท, ท่านก็เปิดทัวร์เปิดทัวปิดทัวทัวแล้วท่านก็ลงลึกเฉพาะบางคนแต่ผมเน่ขออยาพิพายคนเดียวก็แล้วแต่ถ้าใครลูกตอบก็ปแปลว่าคนนั้นจะเป็นปู่หรืคุณปู่หรือชัยลูกตอบก็ปแปลว่าคุณปูรือชัยรับกรถินม้วนไปถ้าคุณบู่หรืชัยจะตอบเลยครับเฉยเมครับเชยเฉยเต่อเลยครับแต่ไม่ใช่เดี๋ยวคนบางบ้านจะหาผมไม่รู้ข้อบังคับมันรู้เท่าๆกันนะผมไม่ได้ผิดข้อบังคับอะไรเป็นเหตุกางกระตบกล่องดวงใจก็เลยออกอาการเดี๋ยวหนักกว่านี้ท่านประธานตามมา ประธานครับมีการประกาศขายที่ดินท่านดูสิครับคนเป็นรัฐมนตรตีคนที่อยู่ในบ้านเมืองไม่รู้ครับว่าเป็นที่ทรนีสงแต่ท่านผู้จัดการมูลนิธิมหามงกุฎท่านประกาศขายที่ดินเมื่อวันที่สิบสี่ธันวาคมสองพันร้อยสามสิสองท่านเห็นไหมครับพอธันวาแล้วมาโมกกลาใกล้กุมภาจะไม่อนุญาตให้มีที่เกินหน้าสิบไร่เรี้ยงตามลําดับครับพวกนี้เกาพวกคนใกล้วัด เขาประกาศขายเ็าว่าไงครับเขาบอกว่าเอกสารประกาศขายที่ธนรีสงของมูลนิธิมหามงุลราชวิทยาลายัยประธานครับจากนี้ต่อไปก็คงมีประ้วงะแต่ก็ช่วยไม่ได้พอมาวันที่ส1บ็ดสิงหาคมอนามร้อยสามสิบสามผู้จัด ก, การมรดกเก่าตายขอประธนโทษสิบสิงหาก็มีการยื่นขอเป็นผู้จัด ก, การมรดกใหม่โดยมูลนิธิมหามงุลเมื่อสิบสิงหา 2พาย111ก็ได้รับอนุญาตพอมาวันที่21สิงหาท่านประธานครับมู่นิติมหามงกุฎรับโอนที่ดินมาเป็นของมู่นิติเอาไปขายได้ครับไม่ได้เพราะเป็นที่ธรณีสงฆ์พอรับโอนมาเป็นของมู่นิติมหามงกุฎ21สิงหา2พาย3 3 ปรากฏว่าในวันเดียวกันนั่นเองมูลนิธิมหามืงกุดได้ขายที่ดิน924ไร่ 2,074 ตารางวาขายให้ใครครับขายให้บริษัทอันพายเรสเดตซึ่งสร้างบ้านขายและบริษัทอันพายอลฟอันสปอร์ตกรับขายถือหุ้นครับคนทำธุรกิจผิดไหมครับไม่ผิดทำได้ครับขายถือหุ้นครับบริษัทอันพยเสเต หนึ่งคุณอุไรวันเทียนทองสองคุณวิทยาเทียนทองสามชูชีพหานสวัสดิ์นี่นครับที่ต้องเอามาพิพรายวันละตรงที่มหาไทยผู้สแสดงตนเป็นคนสื่อสารสุจริตจะปราบการทุจริตทำไมไม่กล้าทำเรื่องนี้ถ้ายืนขึ้นทำไมไม่กล้าแล้วนั่งลงคนไม่รู้นี่ครับนี่นะครับยี่สิบเอ็ดสิงหา 2อ3พหารอยสามสิบสามมหามงุลรับเป็นผู้จัดจา ก, การประดกในที่ดินดังกล่าวแล้วก็ขายต่อในวันเดียวกันท่านประธานครั บ, ค, รบความน่าขี้เลอยู่ตรงไหนครับบริษัทนี้ตั้งเมื่อไรครับยี่สิบสามมกราสพร้อยสามิสามตั้งก่อนอนุมัติเดียวเดียวครับแล้วในวันนั้นเป็นไงครับขายที่ เอาสามฝ่ายมาพบกันมนลยนิที่มหาบงกุฎบริษัทที่ซื้อและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนาชาตาท่านประธานครับมันเป็นไปได้ยังไงโฉนด อ, อะไรก็ไม่รู้โครงการทำอะไรก็ไม่ทราบแคร์รโฟเป็นยังไงเธอมอบเปอร์มิเตอรจาแจากเงินทองจัดใช้คืนมีไหมไ ม, ไม่มีเปล่าเงินเท่าไหร่ครับสองร้อยี่สิบล้านน่ซื้อร้อยสี่สิบ เอา220ยิไปให้เลยได้กำไรเท่าไหร่ครับเจดสิบแปดล้านนะเพราะฝ่ายข้างจะพูดรัฐ บ, บาลจูนี้ก็เหมือนโอ้โหเป็ดจะไข่ไก่จะขันแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ไไดเบาๆ เ, เ, เลยนม่มีเบาแล้วครับเห็นไหมครับยี่สิบอ็สิงหาหมูนนิที้ รับเป็นผู้จัดจา ก, การมรดกที่ดินของคุณยายที่ทำไม่นายกรรม่มอเพีกวัดยายตายที่เพียงกวัดที่ทอนีสงต้องออกเต็มอำนาจไอ้คนกลุ่มนี้ใช้วิธีการเอามาขายกันยี่สิบเอ็ดสิงหาซื้อร้อยยี่สิบล้านเอาเงินธนาชาติสองรอยยี่สิบอีกไม่กี่วันต่อมาเอาวีกเจ็ดสิบเป็นสองรอยเก้าสิบกำไรทั้งหมดเจ็ดสิบแปดล้านน้องนีมาไทยกลับไปกระทรวงเรียกยงยุทธกลับไปด้วย ไอจิบบอกเพิงตอนมันชอบแล้วเห็นไหครับนี่คือวิธีการขอเรี้ยงธรรมทานต่อนะครับว่าเมื่อกรอนีเป็นเช่นนี้เนี่ยก็จึงมีการพูดจากันนะครับมีการพูดจากันมากมายเรื่องนี้ต้องยกความดีให้นังสือพิมพ์เดริวที่จริงผมไม่ชอบหนาผมไม่ชอบเดริลเลยไอผมเป็นนักการเมืองติดชาเลนางนี่แหละ ผมไม่ชอบแต่เรื่องนี้ต้องยกความดีตนะ้องถือพิมเดนดิว